ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสีปทุมกำลังนำเสนอสันเลขสูสรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งแก่ปจุนทะว่าดูก่อนจุนทะกิจใดที่าศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์ผู้เอนดูอนุเคราะห์เหล่าสาวกควรทำนั้น เราตาทาคตได้ทำแล้วแก่เธอทั้งหลายตัวนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณแล้วก็พระมากุณาคุณซึ่งมีเต็มเปี่ยมภายในประไทัยของพระพุทธเจ้าการกระทำทุกอย่างมันอยู่ในคำสามคำที่ใช้คำ อ, อัฏฐิตะสุข คนไดท่านดูฟังลองสังเกตว่าเวลาเราอาราธนาปริต์ก็จะมีการพูดถึงอัฏฐะฮิตะสุขะคือสิ่งที่เกื้อกูลและอำนวยความสุขให้เพรเาะอะไรเพราะว่าธรรมนั้นเป็นอัฏฐะคือเป็นประโยชน์อยู่แล้ว หรืออย่างในกรณีของการให้ทานการรักษาศีลพิธีกรรมต่างๆที่เราประกอบมมีประโยชน์สุดท้ายที่ว่าอัมห้ากังทีครตังหิตายสุขายะก็หมายความว่าการให้ทานเป็นต้นทั้งหมดที่ทำมานั้นขอให้เป็นประโยชน์กือกูลและอำนวยความสุขให้ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายก็แล้วแต่จะว่ากันภารกิจสรงนี้ส่งกระทาให้สมบูรณ์เราเห็นว่าประธรรมเทศนาข้อนี้ถ้าหากว่าคนนำไปประพฤติปฏิบัติล้วก็บรรลุผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นการสรุปรวมธรรมะที่ต้องละกับธรรมะที่ต้องประพฤติปฏิบัติเอาไว้แล้วก็สรับกับ บทย่อที่สรงแสดงไว้ในววตาปฏิโมกต์ที่ว่าสัพ ป, ปาปะภาษาการะนังก็หมายความอาอกุศลทุกข้อที่สรงแสดงไว้จะมีชื่ออย่างไรก็ได้ก็เป็นเรื่องที่ควรละไม่ควรทำไม่ควรพูดไม่ควรคิดจะเน้นไปที่ไม่ควรคิดซึ่งกหมายความว่า ตังคมดเป็นได้สมบูรณ์ก็จิตก็จะบริสุทธิ์ทีนี้ส่วนของกุศลธรรมทั้งมวลที่ทรงแสดงไว้โดยชื่อแตกต่างกันออกไปแต่เราสรุปรวมแล้วก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของอริยมรรคยงแปดประการก็สอดรับกับข้อที่ว่ากุลศลสูงประสัมพดา การทำกุศลให้สมบูรณ์สจิตะประโยชน์ับประนังคือการทําจิตให้ผ่องแผ้วมาก็ภารกิจที่พระาศาสดาทรงธรรมสมบูรณ์ก็อย่างที่บอกไว้ว่าที่จริงก็สมบูรณ์ทุกข้อก็เรียกว่าทรงแสดงธรรมเทศนามีพระอรหันต์เป็นยอดทุกข้อคือพระสูตรใดก็ได้ที่จริงเราก็ เมื่อศึกษาประพฤติปฏิบัติไปแล้วแม้ด้วยข้อความสั้นๆแต่ถ้าเราปฏิบัติไปตามที่ทรงแสดงไว้เนี่ยมันก็เข้าสู่กระบวนการของธรรมะอย่างเช่นยกตัวอย่างรับสั่งแสดงวเตสังสัมปันนาสีลานังอัปปมาดวิหารังสมะดัญญาวิมุตตานังมาโรโหมังนาวินติก็สองรรทัดแต่ในสองบรรทัดนั่นแหละ มันแสดงถึงความสมบูรณ์แห่งศีนเตสังสัมปันนาศีลานังคือศีลที่สมบูรณ์แต่การจะสมบูรณ์ได้นี่มันเข้าลึกไปจนถึงสมาธิแล้วเพราะว่าศีลบางระดับนแม้แต่คิดแล้วก็จิตก็คุณแล้วเพราะถ้าสมบูรณ์แม้แต่การคิดมันก็ไปเกิด แล้วก็มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทอปมาระวิหารังเพราะปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทบางก็ครอบครูหมดละเพราะความไม่ประมาทที่สมบูรณ์คือสติที่สมบูรณ์สติที่สมบูรณ์เกิดได้ก็เฉพาะเป็นพุทธบุคคลแล้วก็ทรงเน้นที่ตัวนิโรธสมะดัญยวิมุตทานังคือจิตหลุดพ้นในทางที่ชอบ หรือว่าเป็นการละข้อความสุงอื่นไว้โดยฐานที่เข้าใจกันว่ามันเข้าสูขข่กระบวนการแล้วถึงแต่เราเทียบมันก็เหมือนกับสีเลนะสุกติยันติบุคคลจะบรร Bengal ในสุกติได้ก็บพระศีลสีเลนะโพกสัมปทาสมบูรณ์ในโพกสมบัติได้ก็บพระศีลสีเลนะนี้ปุติยันติแต่บรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็บพระศีล แต่ก็จริงๆแล้วในกระบวนการเนี่ยไม่ใช่ศีลอย่างเดียวประทุนจุดหนึ่งเป็นกระบวนการก็ขับเคลื่อนจิตไปบนเส้นทางของสมาธิแล้วก็ปัญญากลายเป็นความสะอาดกลายเป็นความสงบกลายเป็นความสว่างตามระดับตามลำดับของไตรสิขาหรือจะเราจะพูดว่า สว่างสะอาดส ง, งบตามโครงสร้างของอริยมรรคก็ได้ทีนี้ประเด็นที่ควรจะประรบต่อไปที่จริงก็มันมีในยะที่ควรจะทำความเข้าใจตัวหลักคือประเด็นที่ยกไว้ในตอนต้นแต่มีข้อที่น่าสังเกตว่าได้รับสั่งในข้อต่อไปว่า ดูก่อนจุนทะนั่นควงไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งดูเธออย่าประมาทอย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนในภายหลังเลยนี้เป็นคำสอนสาหรับเธอทั้งหลายก็ไม่ใช่เฉพาะพระนะครับหมายความว่าทุกชีวิตไม่ควรประมาทคือบางครั้งบางคราวเนี่ยมันมีข้อหนึ่งที่ทรงแสดงเอาไว้ให้ ผู้เว้นบาปคือบรรพชิตเนี่ยควรพิจารณาหนึ่งๆว่าคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินเมื่อเพื่อนบรรพชิตถามในการภายหลังตัวนี้มีคนเอาออกมาอ้างในทํานองคลายก็ให้อวดอุตริมนุษส์รรมได้แต่ว่าที่จริงแล้วพระอราจารนยะ์อธิบายไว้ว่ามันเป็นสภาพยิตก่อนที่เราจะดับจิต คือเพื่อนสภพรมจารีจะซักถามถึงคนพิเศษต่างๆว่าเราได้บรรลุคุณพิเศษระดับใดบ้างระดับศีระดับสมาธิระดับปัญญาที่ส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะเน้นที่อย่างน้อยก็เป็นประสบกรณ์นนะเพราะว่าถ้าอยู่ระดับอื่นเนี่ยคติมันไม่เที่ยงหรืออย่างน้อยรูปฌาน ถ้ารูปฌานขึ้นแล้วก็กติบกเที่ยงคือถ้ารูปฌานแล้วบังเกิดเป็นรูปประพรมแน่นอนชั้นใดก็เป็นลำดับของรูปฌานนั้นนั้นปรองฌานแต่ละข้อเนี่ยอาจจะบังเกิดในรูปประพรมสามระดับตามลักษณะของฌานที่ก็เรียกว่าหยาบกลางละเอียดก็ฮีนาะมชจีมะปณีตะแต่ว่าก็อาจจะยอดกลับได้ ย้อนกลับไปตกนรกได้ย้อนกลับไปเกิดเป็นเปรตได้เป็นนสุรกายได้เป็นนิริชาญได้เพราะจริงๆก็ติมันไม่แน่เพราะท่านมุ่งเน้นจริงๆก็คือเน้นตั้งแต่เข้าสู่กระแสคือเป็นประสบการณ์ขึ้นไปท่านยิงใช้คําว่าจิตจะไม่เกิดอเขินคือพอเพื่อนถามไอ้เราไม่มีอะไรว่างเปล่าเลยบวชมาตั้งนานไม่มีคุณธรรมอะไรอยู่เป็นหลักใจเลยเกิดมาตั้งนาน ก่อนจะตายไม่มีอะไรเป็นยึดเหนี่ยวเลยอย่างนี้นี่อะมันจะเกิดิดทีนี้ถ้ามีเนี่ยมันก็จะเกิดปิติประโมทอาจจะล่วนมรคไปก็ได้ทีนี้ถ้าไม่มีเนี่ยมันจะเกิดสํานึกควรรีบเร่งกระทาเพื่อนก็จะให้สติจะให้ตักเตือนสติตักเตือนบอกกรรมฐานให้ให้กําหนดสติอารมณ์ต่างๆนะอย่างคล้ายๆกับพระ ติดสะปูติกัตตะเทระคือร่างกายทั้งเปือยเนา่ามันประสบทุกเวทนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด่นในขณะนั้นก็คือเวทนาในปติปฐานสี่ที่เด่นของท่านก็คือเวทนาแต่ขณะเดียวกันกายของท่านก็เห็นทั้งความปฏิกูลของกายเลยเพราะฉะนั้นท่านจะมองในแง่ของอสุภะคือความไม่สวยงามของร่างกายก็ได้ มองในแง่ของทุกเวทนาก็ได้พอพระพุทเจ้าก็รับสั่งแสดงให้บองที่ร่างกายซึ่งถูกเสียดแทงด้วยโรคอย่างรุนแรงแล้วก็มีกลิ่นเหม็นแสดงทัวกายมันเน่าจริงรับสั่งก็ครั้งสั้นๆว่าอาจิรังวแตยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอ ปัวิงอติเศ ส, สติจะล้มลงเหนือแผ่นดินจุดดวเปตวิญญาโนพอวิญญาณออกไปจากร่างแล้วนิรัตถังวะกลิงกะรังก็เหมือนกะท่อนไม้ที่หาสารแก่นสารไม่ได้สติสัมมาัญญะของท่านก็จับที่กายได้แต่ก็เวทนานะพิจารณาแล้วก็จเจริญในปรสนาบรรลุมคลไปเลยคือเป็นพระหานก่อนจะดับ ก็บนเตียงนั่นแหละก็เทศนอนอยู่บนเตียงอันนี้ก็เป็นเป็นหลักอย่างหนึ่งที่ถ้าเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็มั่นใจเขาเรียกไม่กลัวต่อประโลกคือทายังไงจะไม่กลัวต่อประโลกเป็นภารากิจที่ทุกชีวิตต้องรับผิดชอบตัวเอง เรามาด้วยกรรมของเราเราอยู่ด้วยกรรมของเราเราจากโลกนี้ไปด้วยกรรมของเราเพราะเรามาอย่างที่มาแล้วก็ไปที่ไปคือเรามาด้วยกรรมแล้วก็ไปด้วยกรรมอย่างอื่นเป็นสิ่งที่เราอาศัยคือเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยท่านั้นแต่ในข้อนี้พระก็ียกสังงคติการ์จานนะ ืออาจารย์ที่ทำสังคายาณาที่จริงพระสูตรนี่ก็จบละจบลงด้วยข้อความที่ว่าชนี้และนี่เป็นคำสอนสมหรับเธอทางหลายชนี้คือไม่ไม่ได้จบด้วยคำว่าดมูจะพักกว่าไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่ตามปกติแล้วพระสูตรจะบอกว่า ก็เลภาสิทธิ์นี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเ จ, จ้าสัตย์อยู่จิตของภิกษุทั้งหลายหลุดพ้นหรือว่าภิกษุทั้งหลายชื่นชมภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แล้วแต่แล้วแต่กรณีแตจะออกมาในลักษณะอย่างนั้นแต่ในที่นี้ท่านไม่ไม่สรุปลงอย่างนั้นแต่บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจา้าได้สัตว์พระพุทธพจน์นี้แล้วท่านพระมหาจุนทะชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคชนนีแหละ ถามตรงนี้ใครเล่าอ่ะพระอนุนพระอนุนเล่าทีนี้มาถึงข้อความช่วงสุดท้ายเนี่ยพระผู้มีพระพภาคเจ้าได้สัรรม44บททรงแสดงสนธิห้าอย่างไว้สนธิก็คือเงื่อนต่อนะมันคล้ายๆกับปฏิจจสมุปาท์เนี่ยต้องฟังลองสังเกตว่าปฏิจจสมุปาท์เนี่ยมันจะมีสนธิคือต่อกัน ต่อกันในช่วงแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเหตุผลสนธิคือวิชากับสังขาร น, นั้นเป็นเหตุแล้วก็วิญญาณ น, นามรูปสลายยตนาผัสสะเวทนามันเป็นผลเพราะเหตุกับผลนี่มาต่อกันแต่ทีนี้พอมาถึงเวทนาตันหาอุปาทานคือตันหาอุปาทานเนี่ยก็เรียกผลกับเหตุมันมาสนธิกันคือวิญญาณนามรูปสลายยตนาผัสสะเวทนาเนี่ยมันเป็นผล เป็นวิบากมันมาต่อกับตันหาอุปาทานพอต่อกับตันหาอุปาทานในที่สุดมันก็นำไปสู่พบทีนี้พอพบแต่มันอยู่ชาติอื่นชาติอื่นมันก็กลายเป็นผลตรงนี้ก็เรียกว่าเหตุ ก, กับผลมาสนธิกันแกี่วกัความเอววิชากับไม่ใช่คือตั้นหาอุปาทานเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ได้พูดถึงกรรม ไม่ได้พูดถึงวิญญาณเอาไว้เพราะว่าไปใช้คำว่าเกิดพวกนี้ก็มาต่อกันตกลงว่ามีสนที่อยู่สามสนที่คเหตุผลสนที่ผลเหตุสนที่แล้วก็เหตุผลสนที่ก็กลายเป็นเป็นเรื่องเนี่ยคือมันคล่อมสามชาติจะในขณะเดียวกันเนี่ย กระบการของปเ จ, จาการหรือปฏิจจสมบัติก็อาจจะเกิดได้ที่ต่อเนื่องกันไปในขณะแต่อย่าไปตีความบอกพบตัวเนี้ยคือความรู้สึกกว่าตนเป็นนะมันลักษณะของภาวะทิฏฐิเกิดภาวะตัณหาตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ตนเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้เราจะเห็นว่ามันก็รู้สึ ก, กว่าตนเป็นเป็นอัตวาทะมีความรู้สึ ก, กว่าตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ทีนี้ปัญหาตรงนี้มันมีประเด็นที่จะต้องทำความเข้าใจเพราะว่าเรื่องทิฏฐิทิฏฐิที่พระเจ้าทรงจำแนกแสดงแล้วก็พิสดารมากเนี่ยคือแสดงไว้ในพรมชาละสูตรทรงสรุปรวมพระสูตรที่ชาวโลกเขาเห็นกันทั้งหมดเอาไว้ในที่เดียวกันปลายเป็นทิฏฐิตึงหกสิบสอง แล้วก็ทรงแสดงดังที่ไปที่มาทำไมมันจึงคิดอย่างนั้นน่ะทำไมคนเหล่านั้นจึงเห็นอย่างนั้นทรานเห็นว่าคาวิธีนี่เลยเล ย, เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ในที่นี้พระตถาจารย์ท่านก็ยกขึ้นมาว่าทิฏฐิเหล่านั้นเกิดขึ้นในที่ใดก็พระสงฆ์พระองค์ก็จัดหมายเอาที่เบญจขันธ อย่างที่บอกว่าเบนจะขันเนี่ยถ้าเราไปไปแยกตามสักยทิฏฐิมันก็กลายเป็นสักยทิฏฐิยี่สิบเรานแยกเดี่ยวมาเช่นว่าตนเป็นรูปรูปเป็นตนตนมีในรูปรูปมีในตนเพราะเห็นเห็นในรูปเนี่ยมันเห็นสี่อย่างพราเวทนาก็4อย่างอีกสัญญาก็สอย่างอีกสังขารก็4อย่างอีกวิญญาณก็4อย่างอีกรวมแล้วก็สี่ห้าก็กลายเป็นยีสิบเป็นการ เห็นที่แยกที่ละเอียดมากมีนักปราชญ์นอกาศาสนาเขาสันเสริญพระพุทธเจ้าว่าทรงมีปัญญาจำแนกแยกแยะคล้ายๆกับไปนั่งอยู่ริมฝั่งริมริม ร, มริมปากน้ำแม่น้ำคงคานะฮะแล้วไปแยกน้ำในหมหาสมุทรได้มาจากไหนจากไหนจากไหนจากไหนแยกได้ ทีนี้เราจะเห็นว่าถ้าจิตเราไม่ถึงจริงเราก็แยกไม่ออกจิตมันต้องไปไปเห็นด้วยจิตเองจึงจะแยกได้แต่ว่าถ้าเราก็จําเราก็จําได้นะคื อ, ค, อคือจําเอาแต่ถ้าถ้าจริงๆเราถามว่าจิตเราเห็นอย่างนั้นได้ไหมเราก็เห็นได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเมียดละไม ล, ะลึกซึ้งเกินไปที่จะไปเข้าใจในลักษณะอย่างนั้นได้ พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อรูปมีอยู่เพราะยึดมั่นรูปเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าเราคืออัตตาและโลกละโลกนี้ไปแล้วจักมีเพราะว่าอัตตานั้นโลกนั้นเป็นของเชี่ยงยั่งยืนติดต่อกันมีความไม่แปรเป็นธรรมดาพระองค์จัดไว้เป็นเอกพจน์คือว่าในรมใจกระวควนการทิฏฐิทั้งหลายที่เกิดขึ้นในรมใจเนี่ยก็ มันจะเกิดความรู้สึกไปไปโดยลำดับอย่างเงี้ยแยกไปเรื่อยๆตามปกติแล้วก็กลายเป็นมีรายละเอียดเยอะนะฮะอธิบายไปรายละเอียดเยอะเ่จริงๆในในอนัตตรการสูตรมันก็ก็คืออย่างเงั้ยนะส่งสอนในแนวของวิปัสสนาแต่ว่าเน้นไปที่ตัวอนัตตา แต่ว่าช่วงกลางๆมันก็ไปนิจังทุกขงะะังเหกันเพราะในคำคำที่ใช้คำว่าเอตังมะมะนั่นเป็นเราเอโสอมัตมิเราเป็นนั้นเป็นนี้เอโสเมอตานั้นเป็นตัวตนของเราสิ่งนี้นั้นไม่ใช่ของเราตังตังเนตังมะมะนะตังเนตังมะมะเนี่ย สิ่งนี้นั้นไม่ใช่ของเราก็อารมณ์ที่แยกประเภทเป็นเบญจขันนั้นเออดี๋ยง่ายจริงๆก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของของเราถึงเราก็ไม่ใช่สิ่งนั้นแม้สิ่งนั้นก็ไม่ใช่อัตตาของเราถ้าเห็นเบญจขันได้อย่างนั้นเขาเรียกว่าสัมมปัญญาเห็นด้วยปัญญาชอบเพราะนนั้เวลาเกิดเห็นใ่จริงๆมันจะเกิดว่า เนตังมามะเนโซมสมีนาเมโซเมตานั่นไม่ใช่ของเรานั้นไม่ใช่เรานั้นไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้ตรงกันข้ามนะฮะตรงกันข้ามเพราะว่ามันเป็นมิจฉาทิจจิคือทิจจิที่เห็นผิดทีนี้การการยึดติดในลักษณะนี้คือถ้าเราสาวลึกไปเนี่ยเราจะเห็นว่าในข้อแรกเนี่ยเอตังมามะนั้นเป็นของเราเนี่ย มันเป็นการยึดติดเรื่อหน้าตัญหาพอตัญหาพอแยกตัณหาหรื่ไปใหญ่เลยก็กลายเป็นตัญหาถึงร้อยแปดแล้วก็ยึดถือด้วยอำนาจมานะเนี่ยมานะว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นนั่นคือยึดถือมานะเป็นเครื่องเนื่นช้ามานะไอตัญหามานาทิฏฐิเนี่ยเขาเรียกว่าปปันจะธรรมคือธรรมะเป็นเหตุเนื่นช้า หมายความาตราบใดที่เรายัางยึดอยู่ใ น, นยึดสักอย่างก็แย่แล้วให้เราสังเกตว่าของเราที่เรากระ น, นิดเขาว่ามีบุตรบวงหนึ่งเกี้ยวพันคอรัพย์ผูกบาถาครอหน่วงไว้พัญญาเยี่ยงบ่วงปอรึงรัดมือนาสามบ่วงใครพ้นได้จึงพ้นสงสารเดีว่านัก็ยึดถือว่าของเราอะไรล่ะทรัพย์ของเราพัญยาสามีของเรา ลูกของเราเจอของเราก็สามเราในายไปไม่รอดพอะะเรามองย้อนกลับไปที่ว่าออทำไมพระโพธิสัตว์จึงไม่เสด็จเข้าไปพบราหุลกุมารตอนมาสุดใหม่ๆพอคนมาแจ้งข่าวตอนนั้นที่จริงก็ประทับอยู่ในพระอุทยานที่มีสัพกณีสามาส์น่ หรือพระไทยน้อมไปสู่เนคขมะเนาะน้อมไปสู่การบวชเยอะแล้วตอนนั้นะพอเขาไปทูลว่าพระนางยโสทราพิมพาประสูติพระอรส่งเปร่งอุทานเวลาหุลังชาตังบันทนางชาตังเรารังก็คือบ่วงบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราปันทนางชาตังเครื่องผูกมัดได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราบ่วงบวชอย่างเดียกก็แย่แล้ว บนวงสองบงเนี่ยเขามีอยู่ก่อนนะครักรย์เลอร์ ม, มาของพระโพธิสัตว์เนี่ยสมบัติจักรพรรดินะฮะบ่วงมากขุมามากเลยสมบัติจักรพรรดิแล้วก็ทิ้งสมบัติจักรพรรดิทิ้งสาวเบญจกยานีได้แล้วก็ทิ้งพระโอรสที่สุภยาวได้เนะี่ยก็สุดยอดนะฮะแต่ตัวนี้ก็แล้วแต่ใครจะมองอีกอะอย่าเช่นว่าสมัยหนึ่ง ที่มีการกล่าวโจมตีพระเวสสันดรแล้วก็ลามปามาถึงพระพุทธเจ้าก็นานหลายปีละตอนนั้นคล้ายๆกับอะไรอะ่ะคล้ายๆกับตีหัวกระทบคราดอะไระเป็นกระแสต่างการเหมือนหรือเหมือนจะด่าจมบุตปอดแต่ตอนพระเวสสันดรแจกทานเนี่ยเขาก็กล่าวหาว่าเอาเงินจากประคกังขังชี้ไปแจก แล้วก็ตีตัวตีตีกระทบจ้พุทธเป่าแล้วก็ลามปางไปถึงพระพุทธเจ้าว่าใจคอโหดร้ายทิ้งลูกทิ้งเมียเอาไว้ก็ไปหาความสุขตามลำพังไม่รู้ใครสุขใครทุกันอันนี้ก็คือก็คือความคิดเราตัดสินตัดสินแบบความคิดปุถุชนนี่ปุถุชนนี่จะคิด เขาว่าเขาเนี่คือความตกตั้งแต่เราเห็นว่าวีรชนเนี่ยเขาไม่คิดอย่างนั้นเราดูตัวอย่างพระนเรศสวนพระเจ้าตากสินมาราทั้งคู่นะฮะไม่ได้หาความสุขในรัวนในวังก็อยู่บนหลังช้างหลังม้าล่องอยู่ในเรือเดินอยู่ในป่าตลอดสิบห้าปีนั่นคือวีรบุรุษมหาบุรุษเองเขาเขาจะไม่คิดแคบแค่ เรืมหาบุตรจะมีพระอัธยาศัยกว้างขวางไม่ไอสิ่งเล็กๆน้อยๆมาปลูกพัดปลูกปลกปลูกพัดตัวเองไว้เพราะฉะนั้นเราใจนั้าตันหาหรือจังไเราเห็นชัดว่าตันหาเลยจางทีนี้ไอๆผู้ ก, กิเลสเครื่องเครื่อเล่นช้าเนี่ยมันก็พระเจ้าทรงจําแนกแสดงเอาไว้ว่าเป็นมีถึงหกสิบหกสิบสองประเภทอย่างที่กล่าวนะก็นึกนึก แต่ว่ามันเป็นเรื่องยาวเป็นเรื่องละเอียดคือถ้าเอาพรมาะมารยาสูตรมาเล่นแล้วก็ก็เกิดเรื่องดีมันยาวมากแล้วก็ละเอียดมากเราไม่คุณ น, นะฮะตามปกติความคิดขณะ น, นี้เราก็ไม่เคยคุนกันเพราะถ้าจะเอาไปศึกษากันจริงๆทาความเข้าใจจริงๆเนี่ยคือทั้งพระสูตรทั้งอัตถกถาเนี่ยร่วมครึ่งเล่มนะครึ่งเล่มไปใจผิด ละเอียดมากให้ความละเอียดไว้เยอะมากเพราะอะไรทิฏฐิเนี่ยตรงนี้เราจะพูดถึงเรื่องทิฏฐิกับโลกที่พระหมหาุนทัานนาเสนอเนี่ยคือว่าเรื่องทิฏฐิกับโลกแล้วก็กลายเป็นโลกเที่ยงโลกเที่ยงอัตตาตัวตนที่เที่ยงแท้มีลักษณะที่ยืนโรงถาวรยั่งยืน คือความเห็นเหล่านี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันจะไปถึงเรื่องของอพระเจ้าสร้างโลกที่จริงในรูปศาสนาพระเจ้าทรงแสดงไว้เองนะในพรมะมิจารณาสูตรนั่นแหละการคิดว่าตัวตนถาวรที่สิงสถิตยอยู่เนี่ยมันเป็นผลจากการบรรลุฌานแล้วก็บรรลุปัญญาระลึกชาติได้ คือการระลึกชาติได้เนี่ยไม่ใช่ข้ อ, อยุตินะโอกาสเสี่ยงต่อสัจตะทิฏฐินี้จะสูงมากเพราะในที่สุดท่านจะตันท่านระลึกได้เท่าที่ท่านระลึกได้ยังมีพระเทระรูปหนึ่งท่านได้รับการสนับสนุนจากอุบาสิกาท่านหนึ่งซึ่งเป็นพระนาคามี ท่านรู้ความคิดของภิกษุต้องการอะไรขาดแค่อะไรเดือดร้อนอะไรท่านแก้ปัญหาให้หมดทมให้ภิกษุได้เขาเรียกสัปปายะคือได้ความสะดวกสบายบำเพ็ญเพียรได้บรรลุเนี่ยระลึกชาติได้เนี่ยก่อนคือปุเพนวาสารติยานตอนนี้เป็นโลกิยะอยู่นะ่้าระนึกขึ้นไปจนถึงชาติที่99 ดูว่าอุบาสิกานี่มีคุณะเรามากเลือกินดูไปดูมาโออมันเกี่ยวข้องบุพพันธ์กันเรื่อยเลยเป็นพี่น้องกันบ้างเป็นสามีพันยากันบ้างเป็นอะไรอะไรเนี่ยคือเกี่ยวข้องกันเดีตลอดแต่มีชาติที่เก้าสิบเก้าก็ปรากฏว่าเป็นสามีพันยากันแล้วในชาตินั้นแหละพรนยานั้นไปนอกใจสามีวางแผนกระชูแล้วก็ฆ่า สามีตายพอท่านเห็นท่านสะดุดโครมเลยโ อ, อ้บาสิการนี่ทำกับหนักจริงบาสิการท่านก็สงสัยท่านกำหนดจิตตามจิตตามจิตไปดูเอามาอยู่ตรงนี้เองอท่านก็เห็นเหมือนกันนะคือคือคือญาณเนี่ยมันมันจะลงตัวกันต้องบอกเอะเราพลาดขนาดนั้นเลยกระลึกลึกต่อไปในชาติที่หนึ่งร้อย พรชาที่หนึ่งร้อยปรากฏเป็นสามีพัญญากันสามีทําผิดพัญญาสละชีวิตช่วยสามีท่านก็กระซิบนะฮะก็ก็เรียกว่าตอนนั้นก็บรรลุหูทิพย์อะก็บอกว่าให้ระลึกต่อไปพอท่านระลึกต่อไปถึงชาติที่สิบที่ที่ที่ร้อยเห็นเช่นนั้นเกิดปีติพรวดเดียวไปเลยบรรลุมักผลไปเลย ก็กลายเป็นโลกุตระไปนะเพราะฉะนั้นในอภิญญาแบบโลกียะเนี่ยมันก็เสี่ยงพอถึงจุดหนึ่งจะตันนะแล้วที่จริงบางท่านเนี่ยระลึกได้เป็นกับนะแต่ว่าสังสารวัตรมันยาวมันไม่ใช่กับไม่รู้สักกี่แสนกับต่คนหมุนบนก็อยู่ในสักสารวัตรแล้วไม่จําเป็นว่าต้องโลกนี้โลกเดียวนะโลกไหนก็ได้สังสารวัตรมันยาวนานเลย เพราะฉะ้าการที่เกิดเป็นอนาตาตัวตนที่เที่ยงแท้เนี่ยที่จะ่มันมันเกิดจากหลายความคิดนะโดยเฉพาะพวกหนึ่งเนี่ยความรู้จํากัดโดยผลของรูปฌานนี่แหละใช่โดยผลของปุงเพในวาสารติยานคือรลึกชาติได้แต่เป็นโลกิยะนะเป็นอภิญญาที่เป็นโลกิยะได้ก็จํากัดก็แล้วแต่ แล้วในที่สุดมันก็มองคนอื่นว่าเออมันก็เปลี่ยนแปลงแต่ตัวเองเนี่ยมันท้าวอนเพราะพาท่านเกิดเป็นพรหมในท่านอยู่นานนะอยู่นานแล้วก็ผ่านเป็นกลับเป็นกันไปเลยเพื่อนก็จุติกันเยอะแยะไปแล้วตัวเองไม่ได้จุติาอายุมันยนะืนนึกเนน่ะเทียวกับโลกมนุษย์เพลินก็เข้าใจว่าตัวตั ว, ตวนี้เที่ยงตัวเองนี่เที่ยงแต่คนอื่นไม่เที่ยงเพลินก็สันนิษฐานเอาที่ตัวเนี่ยโลกมันก็เที่ยง ทีนี้พออยู่เหงาคนเดียวก็เลยคิดเองมันน่าจะมีคนอื่นมาเกิดบ้างนะก็ในขณะที่ท่านคิดเนี่ยก็มีคนคนหนึ่งบำเพ็ญเพียรได้ฌานมาเหมือนกันก็ไปบังเกิดไปบังเกิดเป็นพรหมในรู ป, ปรพรหมแต่ว่าภูมิมันต่ำกว่า มาพรมก็เห็นข่าวเออท่านก็ไปทึกทักเอาว่าพรมตัวนี้เกิดมาจากการคิดของท่านเพ้นพรมคนใหม่เนี่ยมันก็ถูกครอบงำทางความคิดว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่พรมสร้างขึ้นหรือพรมผู้ใหญ่นี่สร้างขึ้นแต่เนื่องจากกำลังชาญของท่านอ่อนกว่า คนสวยสุกอยู่ในพรหมโลกนานแสนนานถึงคราวหนึ่งก็ตุติก่อนใจที่น้มเอียงไปในด้านความเป็นพรหมเนี่ยทำให้ท่านระลึกชาติได้โดยกำเนิดแต่ระลึกได้ชาติเดียวเอะเรามาจากไหนเราเป็นใครเรามาจากไหน้าตก่อนมีไหมก็เกิดรู้ขึ้นมาเออชาติก่อนเรามีเรามาจากพรหม จากความขวังใจในอดีตเนี่ยที่พรมนั้นสอนเอาไว้ก็มาทำทาให้ท่านปักใจว่าคนเรามาจากพรมแล้วจะไปสู่พรมมันก็บำเพ็ญเพียรแล้วก็เผยแพร่ความคิดนี้ออกไปก็ทำให้เข้าใจว่าอัตตาเนี่ยมันเที่ยงคือมาจากพรมแล้วจะกลับคืนไปสู่พรม ส่วนบางยุคบางสมัยอาจจะเรียกว่าปรมาตามันเรียกมห า, าตามันเรียกอะไรก็กเยอะแยะไปตลอดทั้งเรียกพระเจ้าเนี่ยก็เป็นเรื่องเดียวกันแนวทิฏฐิคือความเห็นในแนวเนี้ท่านจําแนกไว้เป็นทิฏฐิขนาดใหญใหญ่มิจฉาทิฏฐิขนาดใหญใหญ่เนี่ยแปดข้อเดียกันในกรณีของสัจธรทิฏฐินะฮะในกรณีของสัตธรตาทิฏฐนะิคือความเห็นว่าเที่ยง แล้วเราเห็นว่าเวลาเนี้ยมันก็มีความเห็นแนวนี้อยู่อยู่ครบเรียบร้อยบริสมบูรณ์บริบูรณ์ถือว่าอัตตาและโลกนี้เชี่ยงอันนี้กลุ่มหนึ่งนะฮะอัตตาและโลกเชี่ยงโบราณเขเรียกอัจยาตรรมวิทยาก็เทียบแล้วก็คือระบบปรัชญาระบบปรัชญาขนาดอภิปรัชญา คือถ้าจะทำความเข้าใจมันต้องแยกแยกประเด็นให้ชัดแล้วก็มองในแนวก็ปัจจยการก็สามารถอธิบายได้แต่ว่าจะถ่ายถอนพวกนี้ได้ต้องอาศัยโสดาปฏิมักรแล้วก็ตาและโรคไม่เที่ยงอาีอีกชุดหนึ่งก็หมายความว่าเป็นกลุ่มหนึ่งเป็นเห็นว่าเที่ยงกลุ่มหนึ่งก็คาดว่าไม่เที่ยง ทีนี้พอพอพ อ, พอไปตั้งคำถามไม่อธิบายเนี่ยมันก็เกิดเกิดว่าจุดหนึ่งเนี่ยค่อนข้างาาจะมั่นใจว่ามันไม่เทีย่ยงแต่สงสัยอิทธิจิตเนี่ยมันคืออะไรเป็นตัวอัตตาโดยจิตมันคืออะไรก็คล้ายๆกับแนวความคิดของอัยคุปสมัยโบราณเนี่ยที่กลายเป็นผู้มัมมี่เพราะว่ามันก็ถือว่า ชีวิตหลังจากตายไปแล้วเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่ที่สิงสถิตยอยู่ลอยอยู่ข้างบนบนศพเนี่ยแล้วคลอยคอยที่จะสิงร่างแล้วก็ฟื้นกลับมาเแล้วก็สแสดงว่าตัวนั้นมันเที่ยงก็แล้วแต่ท่านจะเรียกอะ่ะจะเรียกว่าชื่ออะไรก็ถือว่าตัวนั้นมันเที่ยงเพราะก็แนวความคิดพวกหนึ่งก็บอกว่าอัตราและโรกเที่ยงก็มีไม่เที่ยงก็มีเอาละทีนี้ กลายเป็นเป็นพวกที่สามเที่ยงก็มีไม่เที่ยงก็มีแต่ท่านก็อธิบายไปอธิบายไปนั้นอาจจะจากความรู้ที่จำกัดหรืออาจจะคาดเดาเอาสันนิษฐานเอาปักใจเอาเชื่อเอาแล้วก็แนวความคิดตรงนี้เราจะเห็นว่ามันไม่ถึงก็แกว่งมากคือถ้าท่านยังจับว่าจิตยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ย ผมไม่ถึงก็หยุดหยุดดาวชั่วประพฤติดีนะฮะแต่ถ้าเที่ยงมันจะเสียงเราคิดว่าเราเกิดมาจากอะไรเราก็ตายไปก็เป็นอย่างนั้นไม่มีการจุตติประผันถ้าอย่างนี้จ ะ, จะอันตรายเพราะว่าท่านไม่ไม่จำเป็นจะต้องสร้างเหตุเพราะว่าไม่มีเหตุได้เกิดความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าแยากส่วนอย่างนี้ยังไงก็ปบปั้งได้ คืออาก็คิดว่าเออบางอย่างมันก็เที่ยงบางอย่างมันก็ไม่เที่ยงอาจารจับประเด็นได้เนี่ยมันก็เรียกว่าไม่ถึงกระห้ามสวรรค์แต่ยังไงก็ห้ามเขาเรียกว่าห้ามมัดนะคือยังยังบรรลุมรรคผลไม่ได้ทีนี้ผู้ที่สี่ก็บอกว่าอัตราโรคเที่ยงก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่เคืงดุ๊งแหละเที่ยงก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่ แล้วบางทีมันก็ตอบไปไม่ใช่ก็ไม่ใช่อีกเลยก็ยุ่งเลยจับประเด็นไม่ได้ทีนี้ถึงถึงจุดหนึ่งมันจะมองที่สุดหรือไม่ที่สุดรือเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยจะมีอยู่สี่สี่ชุดนะฮะจะเห็นว่าอัตราและโรคเที่ยงหนึ่งอัตราและโรคไม่เที่ยงหนึ่งคือมองกลมมุมกันแต่ว่านี้อยู่กลางบอกว่าอัตราและโรคเที่ยงก็มีไม่เที่ยงก็มี ไอ้คนหมโหเที่ยงก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่คือลักษณะอย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆกับความคิดในแนวของก็ไม่ใช่ความคิดสัมผัสตรงในแนวของในวสัญญาณนสัญญาญตนาเนี่ยคือถือว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่อย่างที่คืออุปมาว่าเหมือนกับเราล้างภาชนะแล้วเนี่ยถือว่าภาชนะนั้นมีน้ำไหมจะไปเสร็จรไม่มีเลยมันก็ไม่ได้เพราะมันยังเปียกอยู่ แต่บอกว่ามีมันก็ไม่ได้เพราะมันดื่มไม่ได้ไอ้ น, นี่คือคือลักษณะของของความเห็นของท่านพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถจะพูดไปในแนวใดแนหน่หรือท่านก็ออกมาในแนวนี้ทีนี้ข้อต่อไปในชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งนะฮะอัตาและโลกมีที่สุดทีนี้มต้องอ น, นิยามของอัตาคืออะไรโลกคืออะไร เพราะว่าโลกในความหมายจริงๆเราเห็นว่าแม้แต่ลักษณะทางภูมิศาสตร์ลักษณะทางจั ก, กรวาลจริงๆแล้วก็ไม่ตรงกันก็คล้ายๆกับประมาณพระเจ้าสร้างโลกเไงเอ้ยโลกใบเดียวเนี่ยใครพระเจ้าองค์ไหนสร้างแล้วก็ศาสนาเหล่านี้มาคุยกันก็ผลทั้ท้ายต้องทะเลาะ ก, กันเพราะว่าจะไม่ยอมกัน เรลงว่าพวกนี้บอกอัตาและโลกมีที่สุดพอนิยามโลกคืออะไรอาตาคืออะไรนี่ก็ยุ่งละเทียงกันอีกอะอาตาและโลกไม่มีที่สุดอัตาและโลกมีที่สุดก็มีไม่มีที่สุดก็มีคือประเด็นที่ต่างในเที่ยงหรือไม่เที่ยงมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดคือหมายความถ้าที่สุดก็คือจบกัน พวกนี้แนวโน้มเอียงมันจะออกไปทางด้านของเครืออุเฉททิฏฐิคือถือว่าขาดศูนย์ถึจงจุดหนึ่งก็จะขาดศูนย์ก็ถ้าถือว่าขาดศูนย์ล้วก็เสี่ยงเพระาะอะไรเพราะวะ่าแกจะไม่ละชั่วประพฤติในวิชาทิฏฐิเวลาพระพุทธเจ้าไปจำแนกแสดงพวกเนี้ยคือจะเน้นไปในสองชุดใหญ่ๆ ชุดหนึ่งมันเกี่ยวกับกรรมชุดหนึ่งมันเกี่ยวกับสังสารวัตก็ก็กพวกนี้แต่ว่าแยกไปอีกชุดหนึ่งอัตตาและโลกมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ก็สรุปว่าประเด็นเนี่ยมันต่างกันเฉพาะว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดไปเศษสิ้นเชิงไปเศษบางส่วนยืนยันบางส่วน แนวตรงนี้บางระดับเสี่ยงมากบางระดับก็เสี่ยงน้อยไอ้แนวที่เสี่ยงมากๆกเนี่ยก็คือแนวที่ถือว่าขาดศูนย์เช่นว่าการกระทําไม่เป็นการกระทําผลทั้งหลายไม่เกิดในจักเขตถ้าการกระทําไม่เป็นการกระทําเธอก็ไม่รับผิดชอบอะไรอะ่ะเพราะถือว่าไม่ได้เป็นการกระทํา ตีนถือว่าผลน้าหลายไม่ได้จะเกิดมาจากเหตุเธอก็ไม่สนใจเหตุเพราะว่ามันไม่ได้เกิดผลผลไม่ได้มาจากเหตุเธอจะไม่สนใจเหตุมันจะทำอะไรก็ทําก็ใช้ตามอารมณ์แล้วก็ยังเบาๆนี่เราเห็นว่าพวกนี้จะไม่รับผิดชอบจะไม่รับผิดชอบในการกระทำของตัวเองเพราะว่าถือว่าผลไม่ได้มาจากเหตุ เวลาท่านอธิบายเนี่ยก็มั่วหน้าดูนะฮะเวลาศึกษารายละเอียดเข้าไปเนี่ยพวกโลกาญต์พวกจารวากเนี่ยความคิดก็ท่านมั่วหน้าดูก็อีกอย่างหนึงน่งก็ถือว่าไม่มีเลยไม่มีหมดทั้งกรรมก็ไม่มีสังสารวัฏก็ไม่มีอีกหนึ่งนึงเ น, นี่ถือว่าเชี่ยงกับไม่เชี่ยงอย่างที่ว่านี่ คือไฟหนึ่งเป็น ส, ะสะตะัตตตถิธิถือว่าโลกเชี่ยงแต่ว่าบางอย่างเชี่ยงบางอย่างไม่เชี่ยงมันมีย่อยไปบางอย่างเชี่ยงบางอย่างไม่เชี่ยงขาศูนย์ขศูนย์หมดอันชุดหนึ่งขาศูนย์บางสิ่งก็อีกชุดหนึ่งความคิดในแนว น, นี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็น โดยเฉพาะยิง่งคือเกี่ยวกับเรื่องกรรมสามข้อเนี่ยพระเจ้าเรียกว่าวัดตักขานุคือถ้ายัางเห็นอย่างนี้มันเป็นหลักต่อของมัดตะเพราะว่าเธอจะไม่มีการสร้างสารรค์พัฒนาเลยความไม่รับผิดชอบในด้านต่างๆมันจะเกิดขึ้นเราเห็นว่าความโน้มเอียงทางสังคมเรานี่แนวนี้เยอะมากฮะ ค, คือบางทีเรากลืนไม่ออกว่าพวกนี้ คิดอย่างไงอะ่ะทำไมยังไปกล้าทําอย่างนีน้ไม่กลัวบาปกลัวกรรมไม่กลัวนรกเหรอเพราะอะไรเพราะนี้ถือว่าบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีนะเห็นไหมถือว่าขาดศูนย์ถือว่าไม่มีหรือถือว่าขาดส่วนแล้วถ้ามันแพร่หลายมากๆเนี่ยคือละที่เสรีนิยมหรือปอริโภคนิย ม, มเสี่ยงมาก เพราะว่าจะให้ความต้องกานแก่วัตถุจะไม่มองที่จิตใจวันก่อนดูข่าวว่ารัฐมนตรีเข้าประชุมร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อปรับปรุงเนื้อหาสาระของหลักสูตรคือดีใจที่ว่าทางราชการไม่พูดถึงสินธรรม แต่ว่าผู้ปกครองขอร้องให้สอนเรื่องศีลธรรมจริยธรรมนั้นแสดงว่าความคิดทางรัชการยังแข็งกร้าวเหลือเกินยังสับสนเหลือเกินโดยเฉพาะยงยิ่งในแวดวงการศึกษาเนี่ยเสี่ยงมากมากนะและ้วเห็นว่าแม้ระดับหมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมาชื่นชมในหมหาวิทายาลัยศรีประทุมเพราะว่าเขาสนใจเรื่องศาสนาเรื่องศีลธรรม อย่างน้อยในยุคที่ยังมีพลเอกเสลีอยู่ยังมีท่านอธิการอยู่เนี่ยเราก็คิดว่าเด็กมันจะเติบโตในด้านจิตใจเติบโตในด้านความรู้คู่คุณธรรมขึ้นมากำกับอย่างน้อยก็ได้ซื่อสัตย์สุจริตไปสักอย่างหนึ่งมันก็ช่วยช่วยอะไรได้เยอะนะฮะถ้าซื่อสัตย์สุจริตเนี่ย แต่ว่าแนวความคิดตรงนี้ลองสังเกตว่ามันมีบางสายเนี่ยจะจะชิงทําไปเลยจะลอยตัวจากความรับผิดชอบผัท่านถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิเป็นความเห็นที่เสี่ยงแล้วก็มันจะมีความยึดมั่นหรือมันน่นสูงโดยเฉพาะไปให้ความต้องกันแก่โลกวัตถุ ของเราเนี่ยของเราเรว้าเปของเราเพื่อดูความคิดของพวกเศษเรษฐีรวยๆทั้งหลายที่เกาไปอะไรเทคโอเวอร์อะไรต่างๆก็ยังนึกว่าเออทำไมพวกนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะมัน่าจะมีสักเปอร์เซนต์เรียกว่าอย่างน้อยเนี่ยว่าทรัพย์สินเงินทองต่างๆสักหเปอร์เซนต์สเปอร์เซนต์ที่กำไรนะ่ แบ่งเป็นสาธารณกษษษุศลไม่จําเป็นเนี่ต้องทําบุญกับวัดหรอกแต่ว่าบําเป็นสาธารณกษษุศลเป็นการชดใช้คืนกําไรให้แก่สังคมแต่ก็รู้ข่าวนะว่าบริษัทบางบริษัทเขาทาแต่บางบริษัทเราก็ไม่รู้หรือเขาอาจจะทําก็ได้นะต้องฟังทั้งหาย จึงทําจากมหาวิทยาลัยศรีปรทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมโดยมีตท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี